โอเค okay, 5 4 3 2 1 เริ่มได้พูดว่าสวัสดีค่ะท่านผู้ เวลาร้านขายพวงมาลัยดอกไม้เค้าก็เล่าให้ฟังก็เล่าให้ฟังว่าฟัง มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ว่ามีญาติ ว่าจะมีดีกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ครั้งพุทธกาลเนี่ยมีความเชื่ออะไรแบบนี้มั้ย อ่ะเป็นป่าช้าที่ทิ้งสกไว้อย่างงั้นเพราะว่าไม่มีเงินที่จะซื้อ อาจจะเผาในสมัยก่อนนี่อาจจะหมายถึงสมัยเผาท่านพระสารีบุตรก็เผาเอ่อท่านบ้าหมาโมคคละนัสก็ค่ะเจริญ นี่มาถึงจุดที่ว่าการยัง 7 วันนะ 7 วันแล้ว 8 อัน ถ้าถ้าเก็บไว้นานก็คงจะไม่ดีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยเรื่องเกี่ยวกับทางสาธารณสุขด้วยก็คิดว่าคงจะต้องจัดแจงอินเดียสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งน้อยกว่า ให้มากๆอ่าประเด็นที่สังคมได้รับทราบข่าวแล้วก็ยังพูดต่อเนื่องกันมาถึงทุกวันนี้อยู่ อยากจะกลับเรียนถามท่านเหมือนกันนะคะว่าๆนึงสมมุตินะคะอันนี้ดิฉัน มีข้อจะเว้นมั้ยก็คือว่าเอ่อถ้าพูดถึงเรื่องของเจตนา มันก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดนะในความมีอาตมาอันนี้พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเคยยกตัวอย่างเอาคนเอาเลื่อยมาเอากําบ้านมาทุบตีจน นะนี่ไม่ได้บอกว่าจิตใจนะแต่ทางกายไม่ได้พูดถึงนะไม่ได้บาง ไม่ให้เราไปเบียดเบียนเขาไม่ให้กันและกันเบียดเบียนทั้งไม 2 ฝ่ายเพราะว่าถ้าให้เขามาเบียดเบียนเรา เอ่อซึ่งแน่นอนการฆ่านะคือคือการเจตนาในการฆ่านะอันนี้อันนี้เป็นค่ะนั่นก็เท่าเอ ใช่หรือเปล่าคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าไม่ให้เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นกระทบเนี่ยรู้สึก <laughs> เป็นผู้พิพากษาชีวิตของคนอื่นอืมให้ถึงการตกร่วงเอ่อไปคือคือว่าอย่างสมมุติว่า แต่เกณฑ์กดเกณฑ์นะคือเบื้องตามเบื้องพื้นฐานเลยคุณอย่าๆใช้เวลาหรือ อ่าเพราะเรารู้สึกว่ามันทําให้คนจํานวนมากเป็นทุกข์เนี่ยแปลว่าไม่มีต้องถูกต้องการฆ่ามีการฆ่าโดยค่ะเอ่อผลไม่ค่ะฉันก็ใช้อาศัย ศีลของเราจะไม่บริสุทธิ์ไม่ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วมันจะเป็นยังไงเรา เวลาที่ตายไปเนี่ยอาจจะเข้าถึงทุกขติมินิบาได้เราก็<ใช> เพราะฉะนั้นเราอยากคิดสั้นๆคิดๆไม่ถูก 3 ระดับปกติ 3 ในระดับที่เป็นหน่วยงานของ ให้ก็มันดูไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ธรรมะช่วยอย่างไรได้บ้างคะเอ่อธรรมะจะช่วยๆนะ ป้องกันเขาได้ยังไงเราต้องอดทนไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดูนะอันนี้สองของเมตตามันมีมากๆๆๆเข้าและสิ่งที่เราจะพบเจอ พฤติกรรมของเขากับคนอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่เปลี่ยนแต่พฤติกรรมของเขาต่อเราเนี่ยค่ะแพ้ไม่ให้ตายไง เอ่อเมตตาอยู่ที่ไหนคำตอบคืออยู่ที่จิตนั้นจิตจะส่งกระแสส่งพลังออกไปได้อย่าง คุณมีการระพรรณานฐานพอประมาณหรือเปล่าพวก นน้อยค่ะอืมกําลังจิตสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะต้องการยิงธนูเข้าตรงเคะตรงกลางเนี่ยนะคะกําลังเซอร์แล้วก็ บางทีก็ไม่ใช่เรื่องที่เราทําอ่ะนะแต่เหมือนว่าอะไรล่ะสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันใช่จะว่าไปประโยคเนี้ยช่วยทํา ก็ได้ประโยชน์กันไปมากทีเดียวนะคะในวันนี้ท่านอดทนไม่เบียดเบียนเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูอันนี้เป็นการรักษาผู้อื่นซึ่งจะได้ประโยชน์กับตัวท่านตรงๆอดทนไม่เบียดเบียนเมตตา เราตั้งใจจะให้พุทโธวจนะนั้นได้ช่วยในการที่เราจะอยู่บนโลกใบ ค่ะพัดฟังที่ครบคัน